การที่เรามีอาหารกินในเช้าวันนี้หรือว่าในมื้ออื่นๆของวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามนะนะถือว่าเรานี่โชคดีและอาหารที่เรากินนะนอกจากอุดมสมบูรณ์แล้วมก็ราคามาันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีกว่าที่อื่นนะตอนนี้หลายประเทศนี่อาหารนี่มันราคาแพงสูงขึ้นนะ โดยเพราะพวกธัญพืชเนี่ยเช่นข้าวข้าวสาลีข้าวเจ้าเนี่ยแล้วบางที่ก็ขาดแคลนนะจกนกระทั่งมีการประท้วงกันนะแล้วก็คงจะเริ่มมีการประท้วงกันมากขึ้นพอข้าวหรืออาหารมันขาดแคลนหรือราคาแพงยังไม่รับถึงคนที่เขาเดือดร้อนเพราะไม่มีข้าวจะกินนะก็หิวโหวยอันนี้เพราะว่านะมัน เกิดสงครามขึ้นนะ น, นี่เป็นสาเหตุหลักเลยสงครามที่ยูเครนะทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งรัสเซียนี่ก็เป็นตัวส่งออกข้าวหนระือว่าข้าวสาลีพอเกิดสงครามนะแล้วก็มีการอาแอนด์ซงชันหรือว่าไม่คบค้ากับรัสเซียพวกสัญพืชนี่ย ที่เข้าสู่ตลาดโลกนี่มันก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งในเมืองไทยนะหลายคนก็บอกว่ า, วาเนี่ยข้าวสาลีที่จะทำขนมปังกับแป้งเนี่ยแป้งที่ทำขนมปังตอนนี้มันเริ่มขาดแคลนละหรือไม่ก็เริ่มราคาสูงอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่เกิดขึ้นมา แล้วก็ทำท่าจะรุนแรงมากขึ้นตอนนี้ก็มีการพยายามชักชวนให้หลายประเทศเนี่ยปลูกข้าวปลูกธัญญพืชให้มากขึ้นเพื่อทดแทนข้าวที่มันหายไปนะจากตลาดโลกนะเพราะสงครามอย่างที่ว่าฟังดูก็เมืออว่าข้าวหรือธัญพืชที่เราผลิตมานะทั่วโลกเวลานี้เนี่ยมัน มันขาดแคลนมันไ ม, ม, นไม่มันไม่พอเลี้ยงมนุษย์นะแต่ที่จริงไม่ใช่เลยนะตัวเลขหนึ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงคือว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยที่ผลิตข้าวหรือผลิตธัญพืชเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะที่กลายมาเป็นอาหารของมนุษย์นะไม่ถึงครึ่งนะอาจจะแค่ส0สิเปอร์เซ็นตั้นแหละที่เป็นอาหารของมนุษย์ ทั่วโลกนะที่เหลือนี่ไปไหนนะส่วนหนึ่งก็เขาเอาไปเผานะไอ้เผาเป็นเชื้อเพลิงหรือแม่ก็เอาไปแปรเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะเชื้อเพลิงชีวภาพพวกเมทานนอนพวกนี้มันก็ได้มาจากทันญพืช น, นี่แหละข้าวโพดเป็นต้นข้าวฟ่างแต่สัดส่วน ก้อนใหญ่เลยนะเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์เนีย่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาทั่วโลปผลิตข้าวได้ประมาณาผลิตชันเชพื่อได้ประมาณ3 0 0พล้านตันเอาไว้เลี้ยงคนเนี่ยแค่1 3 0สารอล้านตันที่เหลือนะ1ันห้าันล้านตันนี่ส่วนใหญ่เอาไว้เลี้ยงสัตว์นะโอ้มันก็น่าน่าคิดนะ เลี้ยงคนไม่ถึงครึ่งนะแต่ว่ากว่าครึ่งนะเอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารนะอีกทอดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นอาหารสำหรับคนที่พอจะมีเงินนะเพราะว่าเนื้อสัตว์มันก็ราคาแพงกว่าธัญพืชตอนนี้ขณะที่ธัญพืชหรืออาหารที่ใช้เลี้ยงคนนี่มัน ขาดแคนหรือว่ามีราคาสูงขึ้นนะแต่ว่ากว่าครึ่งนะเอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์แล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเพื่อเอาเนื้อส่วนใหญ่นะก็กินก็เพื่อความอร่เลิศอร่อยนะเพื่อสุขภาพก็มีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่กินเนะ่ะเกินกว่าความต้องการเกินกวความจำเป็นนะจนกระทั่ง เกิดปัญหาสุขภาพล้มป่วยเพราะกินเนื้อมากนะปวกโรคหัวใจนะหรือว่ามะเร็งหลายชนิดเนี่ยใน ต, ตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยหมูเนี่ยทั่วโลกเนี่ยกินธั ญ, ญพืชเนี่ยนะมากกว่าคนจีนทั้งประเทศนะกินนะคนจีนทั้งประเทศเนี่ยกินธั ญ, ญพืชโดยเพราะข้าวเนี่ย ไม่ถึง400ล้านตันนะแต่ว่าหมูเนี่ยกินทั ญ, ญพืชไปเนี่ย430ล้านตันนะมากกว่าคนในประเทศจีนทั้งประเทศเลยโอ้นี่มันน่าคิดนะในยามที่อาหารโดยเฉพาะข้าวเริ่มขาดแคลนนะแต่ว่าเราเออกไปเลี้ยงสัตว์กันอย่างมากมายและพูดในแง่ของความ คุ้มค่านะไอการเลี้ยงสัตว์ด้วยธั ญ, ญพืชนี่มันก็เป็นความสูญเปล่าพอสมควรเลยนะอย่างเช่นเนี่ยธั ญ, ญพืชร้อยแคลอรี่เนี่ยธั ญ, ญพืช น, นะร้อยแคลอรี่ใส่เข้าไปนะให้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยมันจะเหลือแค่สามแคลอรี่ที่กลายเป็นเนื้ออันนี้คือเนื้อวัวนะหนึ่งร้อยแคลลอรี่ ให้วัว ก, กินเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยให้เรากินเนี่ยสามแคลอรี่โอ้จากร้อยนี่เหลือสามนี่มันถือว่าไม่คุ้มค่าเลยนะหมูดีหน่อยนะใส่เข้าไปร้อยแคลอรี่ออกมาเป็นเนื้อหมูเนี่ยสิบแคลอรี่นะดีหน่อยนะแต่มันก็ยังไม่ไม่คุ้มค่านะ ถ้าเรากินธัญพืชโดยตรงเนี่ยกินเข้าไปร้อยมันก็ได้ร้อยแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงสัตว์นี่มันจะเหลือน้อยมากนะที่กลายมาเป็น อ, า, อาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาจึงมีการรณรงค์นะให้กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงรวมทั้งเอาอาหาร ธั ญ, ญพืชนี่ไปเลี้ยงสัตว์ให้น้อยลงเราจะได้มีธั ญ, ญพืช น, เนีเอาไปเลี้ยงคนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะหิวโหยกันนะเพราะว่าอาหารหรือธั ญ, ญพืชที่จะไปเลี้ยงคนนี่มันมันมีน้อยราคามันก็แพงเกิดการประท้วงนะเกิดการอตลาดจนนะแล้วก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกที่ จะาจนไม่ได้ประท้วงไม่ไหวก็เพรอยู่ชนบทก็หิวโหยแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อมูลที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะหรือไม่ค่อยรู้เลยนะว่าโอ้อาหารที่เราผลิต ก, กันทั้งโลกนี่ใช้เลี้ยงคนไม่ถึง40อร์ซนะที่เหลือนี่เอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงหรือยิ่งกว่านะั้นคือเอาไปเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันก็เป็นอาหารกันนะแต่ว่ามันก็ เป็นอาหารที่นอกจากราคาแพงแล้วก็มันก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยในตัวเลขนี้มันก็เชื่อให้เราเห็นนะว่าเนี่ยในขณะที่เรากินอาหารสัตว์ในขณะที่เรากินเนื้อมากขึ้นเนี่ยมันก็ไปส่งผลให้คนมากมายในประเทศอื่นในซีกโลกอีกซีกโลกหนึ่งนี่เขาขาดแคลนอาหารในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี่ การใช้ช่วยของเราการบริโภคของเรานี่มันก็สามารถจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นที่อยู่ไกลนะคนละทวีได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เราใส่ใจกับการบริโภคนะจึงเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารหรือว่าการใช้สอยสิ่งต่างๆซึ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือว่าเราเอาแต่ สนองความอยากของเรามันก็จะไปสร้างปัญหาให้กับคนที่อื่นนะเช่นถ้าเรากินเนื้อมากก็ทําให้คนในแอฟริกาคนในประเทศยากจนเขามีอาหารกินน้อยลงหรือไม่เชนั้นเนี่ยมันก็ไปก่อมลภาวะนะจากการที่เร า, าสร้างขยะด้วยการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เรา ที่เขารลรงค์กันคือว่าเนี่ยกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงกินเนื้อสัตว์น้อยลงก็จะเลี้ยงสัตว์น้อยลงเมื่อเลี้ยงสัตว์น้อยลงก็ธั ญ, ญพืชที่ใช้ไปเลี้ยงสัตว์มันก็เอามาใช้เลี้ยงคนอาหารธั ญ, ญพืชก็จะราคาถูกลงแล้วก็แพร่หลายกระจายไปกว้างขวางคนที่หิวโหยก็จะน้อยลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันนะเวลาเรากินอาหารนี่นอกจากเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีที่มีกินแล้วเนี่ย ก็ให้นึกถึงผลกระทบของการบริโภคของเรานะที่จะส่งผลต่อคนอื่นนะที่อยู่ห่างไกลซึ่งก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน